บทที่หนึ่งไม่มีใครพูดคำใดในขณะนั้นนอกจากทอดสายตาจับนิ่งไปยังจอมพนเนจรเป็นตาเดียวนั่นคือประรลอดหรือเครื่องมืออะไรสักอย่างหนึ่งสำหรับให้คณะทุกคนใช้วัดสถานการณ์ได้อย่างดีที่สุดถ้าหากใช้ความสังเกตให้ถีทวดโดยไม่มองผ่านข้ามไปเสียมันพิสูจน์ให้เห็นชัดอยู่นับบัตรนี้แลวว่า ไม่เพียงแต่คณะเจ้านายทุกคนเท่านั้นที่กําลังกรีงเกร ง, กรงวันวิตกต่อมหันตภัยอันอาจเกิดขึ้นภายในเส้นทางเบื้องหน้าที่เห็นอยู่นี้แง่ทรายเองก็สัมผัสได้กับกลิ่นไอนี้เช่นกันโดยไม่จําเป็นจะต้องได้รับคําสั่งหรือเตือนบอกเช่นไรและอาจสัมผัสกับกลิก่นไอชนิดนี้ได้ล่วงหน้าก่อนทุกคนซะอีกชายันยิ้มเลี้ยนเลี้ยนหันไปมองหน้าพรานใหญ่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 ขอทุกคนรู้ตัวและเร่งระมัดระวังตนให้จงหนักคนเหล่านั้นรับทราบด้วยอาการอันสงบเยือกเย็นส่วนเชษฐาก็สั่งให้ชัยยันติดสายชนวนให้แก่ระเบิดซึ่งมัดกับลูกธนูของแง่ทรายทันทีทั้งขบวนเคลื่อนจากที่พักกินอาหารชั่วคราวทางเชิงเนินด้านใต้ของภูเขาเกิดมาตัที่ราบต่ำทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือลงไปแล้วชั่วไม่นานนัก นครหินแห่งธรรมชาติอันเป็นภูมิประเทศของโลกล้านปีก็เปิดปากทวารรอรับอยู่เบื้องหน้าในความสลัวรางคลุมเครือของห้วงนภากาศต่างหยุดชะงักเหมือนจะสงบจิตเตรียมตัวเตรียมใจรับสถานการณ์อันยังไม่สามารถทำนายได้ถูกนั้นชั่วขณะนั้นระพินไพรวันเสยปีกหมวกขึ้นขยี้ดับซิก้าที่สูบค้างไว้ลงกับแง่หินไกล้เก็บใส่ถุงพลาสติกเล็ก แล้วยัดลงในกระเป๋าเสือ้อแงนขึ้นมองก้อนภูผาศิลาลายอันสลับซับซ้อนรังงานเงื่อมค้ำอยู่เหนือศีสษะเรากับใครเอาเทวรูปแห่งความน่าสะพึงกลัวขนาดต่างๆมาตั้งเรียงรายประหลีกไว้แล้วหันกลับมาดูขบวนเดินทางที่วางแถวกันอยู่เป็นระเบียบเหมือนหมู่ของทหารที่รอฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาหรือมิฉะนั้นก็ลำนาวาที่พร้อมจะเคลื่อนต่อไป ภายใต้าการตั้งเข็มถือหางเสือของกับตันแงสซยยืนตระ ง, งานเรียงแถวเป็นแนวตรงกับขยินโดยมีหากสัมภาระทอดเชื่อมระว่างลดยดวงตาอันสุขใสเป็นประกายทอดนิ่งไปยังยอดหินลิบลบิอันเหลื่อมสลับซับซ้อนเบื้องหน้าไหลส า, ายสะพาย FN. 3 7าหกระบอกบันจุลูกธนูติดระเบิดมัดแน่นกับลำตัวติดอยู่กับแผ่นหลัง ขันธนูใหญ่ซึ่งเมื่อแรกออกเดินทางเช้าวันนี้ยังปลดสายและมัดรัว ม, มากับคานหาักแบบนี้ขึ้นสายสอนเรียบร้อยสะพายเฉียงไหลขวาประกอบกับหาดสัมภาระที่คอนไว้ด้วยเช่นนั้นทำให้ร่างนั้นดูทรรศหดบึกบืนราวกับเทพพระเจ้าแห่งพลังถัดไปเป็นเกิดและเสยกับบุญคำและจันตามลำดับสั่งปายืนเคียงกับนายสาวผมทองร่างท้ายขบวนตามเดิม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 เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นภาระหนักสำหรับแกเกินไปนักส่งไรเฟิลกระบอกนั้นมาให้ฉันโดยไม่พูดหรือมีท่าทีใดๆทั้งสิ้นแง่สายปลดไรเฟิลจุด3 7ห้าออกจากลาส่งให้เขาตามคำสั่งอย่างสงบรพินรับมาเปิดลูกเลื่อนตรวจ ด, ดูกระสุนที่บรรจุอยู่ในรังเพลิงและในสองแมกกาซีนเห็นครบถ้วนเรียบร้อยดีก็ขยายสายหนังสาหรับสะพายออกให้หย่อนกว้างพอที่จะสะพายแบบเฉียงไหลได้แล้ว ยกขึ้นสวมคล้องสะพายเฉียงไว้กับไหล่ตนเองส่วนวิ่งจุดสี่ห้าแปดนั้นยึดไว้ในมือมันหมายถึงว่าต่อไปนี้เขารับพาระแบกไรเฟิลแทนเพื่อให้เกิดความคล่องตัวที่สุดสำหรับจอมธนูงแง่ายเมื่อเหตุจำเป็นมาถึงโดยไม่มัวเกะกะห่วงกังวลปืนอยู่ต่อมาก็เดินตรงมาที่ท่านหัวหน้าคณะซึ่งขณะนี้ชัยยันและดารินเคลื่อนเข้ามารวมกลุ่มอยู่ด้วยยิ้มให้นิดหนึ่ง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 คุณเดินนำและระวังในรัศมีด้านหน้าไปอย่างเดียวก็พออย่าเดินทิ้งระยะให้ห่างเราจะจับหมู่กันไปในระยะใกล้ๆทุกขณะรัศมีมองกันเห็นได้ตลอดหัวไทยขบวนจอมพรนก้มศีรษะรับคําแล้วเดินถอยหลังโบกมือเป็นสัญญาณกับคู่ของแง่ทรายและขยินบัดนั้นขบวนเดินทางมหาภัยก็เคลื่อนที่เข้าสู่อ้อมแขนอนันลีรับ เต็มไปด้วยความวิเวกหน้าสะพึงกลัวของอาณาจักรหินจิตใจของทุกคนแม้จะปรับไว้แล้วเป็นอย่างดียามนี้ก็ยังไม่วายหวาดวันไว้ระทึกต่างครุ่นคิดไปต่างๆนาน า, นาถ่ามกลางสองฝ้าก้อนหินที่ผ่านไปหูคอยเงี่ยสะดับเสียงตาก็แลกวาดไม่ยอมให้สิ่งใดๆรอดพ้นการสังเกตไปได้หินแต่ละก้อนที่ต่างผ่านกันไปมีรูปร่างแปลกๆทั้งลักษณะและสีสัน ดูราวกษัตริย์ร้ายหรืออสูญยักษ์ที่กำลังอ้าแขนเพ่งตาจ้องอย่างประสงร์รอากาศอบอ้าวและแห้งผากชวนให้ตะคร่น้นตะครอสะบัดร้อนสะบัดหนาวคล้ายจะจับไข้กันอยู่ทุกคนเสียงฝีเท้าทั้งสิบสองคู่ที่เหยียบย่างกันไปแม้จะพยายามแผ่วให้เบาสักเพียงใดในที่อันแวดล้อมไปด้วยผนังถาศิลารายรอบด้านเช่นนี้มันก็ปรากฏเสียงดังสะท้อนกังวานอยู่ไปมา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 จนมองเห็นตัวมันมีขนาดปกที่กลางอยู่นั้นยาวเพียงคืบนกอะไรนะลราหลุดปากออกมาอย่างงงงงไม่เข้าใจอะไรนักแรงไงแรงพันไก่งูชนิดเดียวกับที่เราพบบนไหลเนินสุสานลงกินซากสเตโกซัสเสียงมาเรียบอกเรียบๆมีซากไรตายอยู่ที่ไหนกระมัมาเรียยิ้มแค่นแค่พลางสันสีสัน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 ทำไมมันถึงต้องตามเรามาทุกระยะด้วยอีกฝ่ายหนึ่งยักไหล่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีแม่มสาวหยุดชะงักลงเฉยๆยักไหล่ด้วยความเคยชินแทนแล้วก็จริงดังว่าเวลาผ่านไปตามลำดับในป่าหินอันลึกลับซับซ้อนนั้นและไม่ว่าจะเดินบ่ายเบียงห่างไกลออกไปในมุมใดพอเหลียวกลับมาทีไรดารินมองเห็นเงาของเจ้าแรงไก่งวง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 หล่นพึมพำภายหลังจากที่ไม่เอ่ยคําใดกมารียอีกเลยเป็นเวลานานตลอดระยะที่เดินไปด้วยกันแรงเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณพิเศษมารียพูดนิบเนื่ทอดสายตาเลื่อนลอยอย่างปราศจากความหมายออกไปยังยอดหินเรียงรายเบื้องหน้ามันรู้ว่าซากที่จะไปน้าหารล้มตายอยู่ที่ไหนแม้จะอยู่ระยะห่างกันนับสิบสิบกิโลยิ่งกว่านั้นยังสามารถมีทิพยาน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 และฉันก็เคยเห็นกระตาตัวเองมามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาตามสัตว์ที่ถูกยิงเจ็บและหลบหนีไปพวกแรงจะคอยบินตามสัตว์เจ็บนั่นตลอดเวลาเพราะมันรู้ว่าไม่ที่ใดก็ทีหนึง่งสัตว์นั้นก็จะล้มและตายลงหลายครั้งที่ฉันอาศัยสังเกตจากการบินตามของแรงเป็นเครื่องนําทางให้เข้าถึงสัตว์ลำบากที่กําลังตามล่ะนั่นเป็นหลักสามันตามธรรมชาตินิสัยของแรง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 แปลว่านี่พวกเราต้องมีการล้มตายกันขึ้นนะในอนาคตอันใกล้ๆนี่ใครจะรู้แต่ฉันไม่ชอบไปมันมคอยบินตามอยู่ทุกฝีก้าวอย่างนี้นะแล้วมาเรียก็หัวเราะเสียงแปลกๆฉันอยากจะสอยมันจริงๆถ้าไม่กลัวว่าคนอื่นเขาจะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งตะพรานขี้เก็กนั่นดารินว่าอย่างรำคาญใจแล้วต่อมาครู่เดียวทั้งเชษฐาและชยยัน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 เห็นฝ่ายของนายจ้างกำลังยืนป้องหน้าแง้มมองอะไรอยู่ทางท้องฟ้าด้านใต้ก็ก้าวเข้ามาสมทบชยันชี้ให้ดูอ๋อจอมพรานพยักหน้าไม่มีอะไรผิดปกติหรือสนใจต่อภาพที่เห็นอยู่ใดๆทั้งสิน้นแรนไก่งวงทำไมหรอครับเห็นเมย์บอกว่ามันบินสะกดหลังตามเรามาทุกระยะนะตั้งแต่ออกจากเนินสุสานแล้วเชดาเอ่ยด้วยน้ำเสียงธรรมดาเช่นกัน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 ระพินหันไปมองด้วยอาการเฉยๆไม่รู้สึกใดๆทั้งสิ้นสำหรับทายประโยคหากแต่ก้มศีรษะนิดนึงเหมือนจะเตือนให้หล่อนพูดต่อคือฉันไม่ชอบให้เจ้าแรงนั่นมันมาบินตามหลังเราอย่างเงี้ยขอซัดกันสักนัดเถอะไม่หวังใจถูกมันหรอกแต่มันอาจตกใจเสียงปืนบินหนีไปทางอื่นซช่ไม่มาคอยตามเราอย่างเงี้ยไม่น่าจะต้องเปลืองกระสุนและไม่น่าจะต้องคอยกังวลอยู่กับมันด้วยนะครับ ลูกปืนของคุณหญิงหรือของพวกเราคนใดก็ตามมีค่าเกินกว่าจะใช้ยิงอีแรงด้วยเหตุผลเพียงแค่รําคาญตาที่มันคอยบินตามอยู่นะครับและโดยไม่สนใจว่าอีกฝ่ายที่รับฟังคําตอบจะมีความรู้สึกฤสีสนาอาการยังไงระพินไพรวันหันไปทางท่านหัวหน้าคณะเอ่ยเป็นงานเป็นการว่ามีปัญหานิดหน่อยครับคุณชายผมต้องการคําหารือด้วยครับอะว่ามา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 นอกจากนานๆครั้งจะพบพืชประเภทกระบองเพชรอันเป็นไม้ล้มลุกอาศัยงอกจากพื้นทรายและซอกพื้นดินกับซากของตอหรือขอนไม้ดึกดำบันที่ผุดโผล่ขึ้นมาจากพื้นซึ่งสภาพของมันก็แกรง่งซะจนกลายเป็นฐานหินไปแล้วยากที่จะถากถางเอามาก่อกองไฟได้เอเห็นจะไม่ใช่ปัญหานิดหน่อยอย่างที่คุณว่าใชแล้วสินะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ทีเดียว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 ซากต้นไม้เก่าเก่าที่ล้มอยู่ตามทางผ่านซึ่งพอจะเอามาทำฟืนได้นะรู้สึกจะยากมากนะคะพี่ใหญ่มาเรียสอดขึ้นโดยเร็วสีหน้าหนักใจซากตอไม้ที่เราเคยผ่านพบกันมาแล้วฉันสังเกตเห็นว่ามันแกร่งซะจนเป็นเนื้อหินยากที่จะถา ก, กมาทำฟืนได้นอกจากจะถากถังยากเหมือนฟันหินแล้วเนื้อไม้เก่าแก่เหล่านี้ยังติดไฟลาบากมาก สำหรับการก่อสุงมไฟธรรมาดายกเว้นแต่จะส่งเข้าเตาเผาโดยเฉพาะก็ต้องพยายามหาดูเผื่อว่าจะพบหรือทำฟืนได้บ้างแล้วถ้าหาไม่ได้เข้าจริงๆเราก็คงจะต้องพักแรมกันโดยไม่ต้องอาศัยไฟยอมทนหนาวเอาทำยังไงได้กับมันจำเป็นขึ้นมาซะแล้วนี่ตัดสินกันว่าอย่างนั้นนะผูก้กองคงไม่หนักหนาอะไรนักไม่ใช่เหรอนพินไทวันยิ้มเล็กน้อย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 ความจิงก็มองเห็นป่าต้นกระบองเพชรทางด้านซ้ายมือนั่นไม่ใช่เหรอดาริงชี้มือไปทางด้านที่เห็นไม้ล้มลุกพันที่อาศัยขึ้นตามทะเลทรายขึ้นเป็นทิวอยู่ถ้าเราตัดผ่านไปทางด้านนั้นเราอาจพบไม้ที่พออาศัยทำฟืนได้บ้างกระมังฉันคิดว่ายอดทิวลิปลิปที่เห็นอยู่นั่นรู้สึกว่าเป็นยอดไม้ประเภทปาล์มนะชยันส่องด้วยกล้องและพยักหน้าใช่ยอดไม้ประเภทปาล์ม แต่ลักษณะมันแปลกไม่เคยเห็นตามที่ไหนเหมือนมาก่อนนะทางฝากซ้ายมือนี่คงจะเป็นบริเวณที่น่าจะเรียกได้ว่าโอเอซิสของดงหินแถบนี้นอกนั้นก็จะแห้งแล้งหมดไม่มีพันอะไรขึ้นเลยผมกำลังจะขอความเห็นในข้อนี้อยู่เหมือนกันครับจอมพรานพูดเบาๆก้มลงมองตะลับเข็มทิศในข้อมือถ้าเราตัดไปทางด้านซ้ายอย่างคุณหญิงว่าเราอาจพบแหล่งชุ่มชื้นและอาจมีหวังจะหาฟื้นได้ แต่ทางเดินจะเบนออกนอกเข็มที่ตั้งไว้อีก30ดีกรีทำให้อ้อมทาง The ออกไปอีกจึงอยากจะข อ, อการตัดสินใจจากคุณชายว่าจใจผมเบี่ยงออกชั่วระยะเวลาหนึ่งก่อนหรือไม่ก่อนค่ำวันนี้เราตัดข้ามมุม30ดีกรีตลอดพรุ่งนี้เช้าค่อยหาทางตีกลับเข้าสู่ทิศเดิมใหม่แต่อะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับการเสียเวลาไปอย่างเปล่าประโยชน์อันเนื่องมาจากการเดินอ้อมไปอ้อมมานาะ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 รักษาแนวขนานกับทิศเดิมไว้ให้ได้มากที่สุดแล้วครับถ้างั้นตกลงพรุ่งนี้ค่อยแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันใหม่อดีตท่านทูตทหารบกตัดสินใจได้รวดเร็วฉับไวเสมอพรานใหญ่ทำสัญญาณมือกับกลุ่มลูกหาดซึ่งพักของชุมนุมรอกันอยู่ทางหนึ่งเพื่อให้บายหน้าเดินต่อไปทางซีซายโดยไม่จาเป็นจะต้องเดินตรงเข้ามาที่กลุ่มคณะนายจ้างให้เสียเวลา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 อัศจรรย์ค้านกับสภาพโดยปกติทั่วไปของภูมิศาสตร์โลกหรือเกินถ้ายังเป็นเขตป่าหินอยู่แบบนี้ตลอดไปเราจะเปลี่ยนแผนการเดินทางใหม่ได้ไหมคือพักนอนในเวลากลางวันแล้วออกเดินทางในเวลากลางคื น, นไหนๆเราก็เดินโดยอาศัยเข็มทิศอยู่แล้วนี่และสภาพของเส้นทางเดินก็พอจะทําไปได้ไม่ใช่ป่ารกชัดแบบปา่าดวงดิบก็ต้องขอเวลาศึกษาสภาพของภูมิประเทศดูก่อนครับ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 อีกอย่างหนึ่งเราต้องสงวนไฟไว้ใช้ในเวลาจำเป็นอยู่แล้วเอาละค่อยๆ ค, คิดกันไปสุดแล้วแต่ภูมิประเทศเหตุการณ์แล้วกทั้งหมดล่วงเข้าสู่บริเวณป่าพวกไม้หนามอันมีลักษณะแปลกตางดงามรูปทรงสันฐานประหลาดประหลดระยะแรกๆ ก, ก, ก็ปรากฏเห็นอยู่ปลายห่างๆกันออกไปคันเมื่อเวลาล่วงผ่านไปต้นไม้ประเภทขึ้นในทะเลทรายเหล่านั้นก็เริ่มจะเห็นทีหนาตาขึ้น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 เหมือนตะบองของอาศูนร้ายในเทพพนยายสยองขวัญและบ้างก็เป็นก้อนตุ่มกลมใหญ่ขนาดตุ่มสามโคประดับไปด้วยปุยหนามสีทองตัดกับความเขียวของผิวลำต้นมีเกสรหรือมีฉนั้นก็ดอกสีแดงสดงามตาประดับพราวดุดใครมาสลับผู้สีผู้กันสีไว้ให้สลับไปกับพวกเครือเถาและต้นปรงซึ่งรูปทรงลักษณะน่าจะเป็นไปตามจินตนาการ ของจิตรกรแบบแอฟรกมากกว่าจะเป็นของจริงซึ่งพืชพันธุ์พืชพันธุ์ประหลาดประหลาดเหล่านี้มาริฮอฟมั่นยืนยันว่ามันเป็นพืชในยุคบรรพกาลก่อนมนุษย์จะมีกำเนิดขึ้นในพิภพโลกทั้งสินนานๆครั้งในระหว่างหนทางอันซอกแทรกเลี้ยวลดไปตามสองฝั่งซอกหินและต้นกระบองเพชรโบราณเหล่านั้น ต่างจะเห็นลำซากลำต้นและตอไม้ผุดโผล่ขึ้นมาสักครั้งแล้วก็จริงดังเช่นที่มาเรียบอกไว้ซากต้นไม้เก่าแก่เหล่านั้นไม่สามารถจะนำมาเป็นฟืนสุมไฟได้เลยเพราะสภาพเนื้ออันแกรงแข็งแทบจะมีลักษณะเป็นหินของมันกระพินไพยวันเต็มไปได้วยความอึดอัดใจและลังเลอยู่ในบางสิ่งบางอย่างเชถาผู้มีสัมผัสอันฉับไวละเอียดอ่อนสังเกตเห็นได้ทุกระยะ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 เคลื่อนไหวยังไงก็ปะทะปากกระบองเพชรรอบตัวไปหมดมีหวังเสร็จอยู่ตรงนี้แหละผมก็กําลังดูช่องทางอยู่เหมือนกันครับแต่ยิ่งลิกเข้ามาก็ยิ่งหนาแน่นเขาทุกทีทั้ทงด่านส่วนมากล้วนแต่แคบจํากัดทั้งนั้นคงไม่มีวี่แววร่อง ร, อ, งรอยของสัต์รูใดๆอยู่เช่นนั้นนอกจากพวกมแมลงที่บินตอมอยู่ตามเกสรดอกกระบองเพชรและพวกเครือหนามมาเรียสกิดให้ดารินดูกุหลาบหินที่ขึ้นเรียงรายอยู่ริมทางเป็นระยะ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 และล้วนแต่เขียวสดอยู่แทบทั้งสิ้นต่อมาความหนานแน่นของพันไม้ทะเลทรายก็เว้นห่างประปลายออกไปบริเวณเริ่มโปร่งขึ้นเมื่อทะลุออกมาพบกับที่ราบต่ำตอนหนึ่งลักษณะเหมือนแองกระทะณนะที่นี้เองสิ่งใหม่ๆแปลกๆก็เข้ามาสู่ประสาทสัมผัสของทุกคนอีกครั้งเพราะเริ่มมองเห็นซากโครงกระดูก ข, ขนาดใหญ่ราวกับโครงกระดูกปลาวาน รูพ้นดินทรายให้เห็นอยู่เป็นระยะสีสันของมันเกือบจะกลืนกับพื้นทรายและก้อนหินจนมองไกลๆคลา้ลายเป็นแองหินแงดงอกอยู่ตามพื้นต่อเมื่อเฉียดผ่านเข้าไปใกล้และพิจารณาอย่างทีท้วนจึงทราบได้ล้วนแล้วแต่เป็นซ่าโครงกระดูกเก่าแก่ของสัตว์ประเภทเลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์ประเภทเลื้อยคลานมาคือมาทั้งสิน้นไม่มีใครเสียเวลาหยุดเพื่อสำรวจพิเคราะห์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 เดินพวดพวดค้นหาตามบริเวณรอบด้านใกล้เคียงโดยเร็วพวกลูกหาบทั้งหมดวางของลงจากไหลชั่วคราวแยกกันออกไปทุกด้านด้วยไม่ถึงอึดใ จ, จต่อมาเสียงของมาเรียก็แหลมลั่นออกมาอย่างไปติตื่นเต้นเหลือที่จะกล่าวโผลอกมาจากมุมก้อนหินถือชูอะไรโบกร่าอยู่ในมือฉันพบแล้วมันหล่นอยู่ตรงนี้พานใหญ่กับกลุ่มนายจ้างทะลันพลูเข้าไปโดยเร็ว ดารินกระชากสิ่งที่อยู่ในมือของเพื่อนสาวต่างผิวไปดูมือสั่นน้อยน้อยเมื่อคลางออกมาว่าจุดสีห้านไนโตรปลอกกระสุนทองเหลืองอันนั้นถูกส่งเวียนดูด้วยความตะลึงงงไปยังเชิถาชัยยันแล้วในที่สุดก็มาถึงมือของรพินไพรวันซึ่งเพ่งอยู่ดวงตาที่รือดวงตาที่รีลงขณะที่ถือพลิกกลับไปกลับมาอยู่ในมือแล้วเหลือบขึ้นมองหน้านายจ้างทุกคน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 400 Nitro Express อันเป็นกระสุนชายดินขับอันเป็นกระสุนชายดินขับคอได้ผลิตจากบริษัทคีน็อกก่อนที่ใครจะอ้าปากเช่นไรต่อไปนั่นเองเสรยกระเกิดก็วิ่งหน้าตื่นข้ามาอีกส่งปลอกกระสุนปืนลูกซองขนาด 1-2 2ปลอกแบบกลางสปรีปลอกชนิดทำด้วยกระดาษอันเป็นปืนรุ่นเก่าของอีลีมาส่งให้ พบตรงก้อนหินโน่นนายห่างออกไปอีกหน่อยมีหินสองก้อนซ้อนกันเป็นเพิงมีรอยก่อไฟในขอนไม้ใหญ่รอยพักนอนแล้วก็มีกระดูกนกสองแพนหนุ่มรายงานกระหืดกระหอบระพิงจ้ำพรวดพรวดตรงไปยังตำแหน่งที่เกิดกระเสยชี้บอกทันทีทุกคนก็วิ่งตามมาทั้งหมด ทุกสิ่งทุกอย่างตรงกับที่พรานหนุ่มทั้งสองรายงานไว้ห่างจากบริเวณโครงกระดูกของเสือขยวดาบออกมาประมาณ25เมตรในระหว่างหินใหญ่สองก้อนที่เอ็นคล่อมทับเข้าหากันในลักษณะเพิงซุง้มมีขอนไม้เก่าผุกร่อนขอนหนึ่งหน้าตัดกว้างราวสามฟุตตั้งอยู่ใกล้ๆมีรอยก่อไฟบนตำแหน่งอันผุยซึ่งพอจะอาศัยเป็นเชื้อเพลิงได้นั้นและใช้ทรายกลบดับไว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 ใช้สายตากะคำนวณวัดระยะจากหลักฐานต่า ง, างๆที่ปรากฏอยู่ชั่วครู่เดียวเท่านั้นเขาก็สามารถจะอ่านเหตุการณ์ได้อย่างปรุงโปร่งโดยตลอดชัดเจนเหลือเกินนี่เห็นจะใกล้ความจริงเข้ามามากแล้วสินารพินท่านหัวหน้าคณะร้องออกมาอย่างปิติตื่นตันใจสึกที่จะซ่อนเร้นได้เขาชายันและดารินแทบจะลิงโลดไปด้วยความดีใจคุณคิดยังไง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 ทำไมคุณถึงคิดว่าทั้งสองผ่านมาถึงตรงนี้และยิงเสือตัวนั้นในเวลาใกลค้ค่านะชยันถามจอมพรานชี้ไปที่กองไฟและใต้เพิงหินลักษณะของการก่อไฟและหยุดพักตรงนั้นทําให้น่าจะเข้าใจเช่นนั้นครับเสือตัวนั้นอาจจะถูกยิงก่อนหน้าการหยุดพักตอนค่ําหรือมิฉะนั้นทั้งสองคนก็มาหยุดพักกันชั่วคราวที่นี่ก่อนแล้วและเสืออาจจะโผล่มาในเวลากลางคืนหรือมิฉะนั้นก็เวลาใดเวลาหนึง่ง ขณะที่ทั้งสองคนยังพักกันอยู่ที่นี่แต่การผ่านมาถึงบริเวณนี้จะต้องเป็นเวลาใกล้ค่าอย่างแน่นอนมิชนั้นจะหยุดพักกันที่นี่ทำไมท่อนกระดูกขาหลังของเสือที่ทิ้งกลิ้งอยู่ในซอกหินนั่นบอกให้เรารู้ด้วยว่าทั้งสองแล่เนื้อเสือออกมาย่างกินเป็นอาหารหลังจากฆ่ามันตายแล้วั้งงั้นก็แปลว่าตั้งแต่ตำแหน่งที่เราพบมีรอยมีดฟันกิ่งกระบองเพชรเอาไว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 เขากับคนของเขายังมีชีวิตอยู่และผ่านไปล่วงหน้าเราแล้วถูกแล้วทุกคนเต็มไปได้วยความปราโมดเมื่อได้เห็นพยานหลักฐานเหล่านั้นแต่แล้วชั่วขณะหนึ่งต่อมาความปรีดาตื่นใจทั้งมวลก็ค่อยๆซบเซาปราลาาการลงกระทั่งกลายเป็นความเงียบงนันนิ่งขึ้นไปอีกเมื่อต่างฝ่ายต่างคิดคำนึงไปไกลจริงอยู่ ณนะตำแหน่งที่พักแรมนี้ย้อนกลับไปยังวันนั้นบุคคลทั้งสองยังมีชีวิตอยู่แน่นอนแต่ท้าว่าร่องรอยมันบอกให้ทราบว่าผ่านล่วงเลยมาตั้งปีเศษแล้วจากวันเวลานั้นมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้และโดยระยะทางอันกันดารเต็มไปด้วยมาหันตะไคร่ร้อยแปดอะไรจะมารับรองได้ว่าทั้งนายชดราชากรและนันอินพรานคู่ใจจะยังเหลือชีพดำรงอยู่ได้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 กองจมทรายอยู่ณที่ใดที่นึงเบื้องหน้าไม่ห่างไกลาจากนี้นักก็ได้ที่ทุกคนกําลังจะตามไปพบความคิดโดยไม่ได้นัดกันไว้เช่นนี้ทำให้คณะทั้งหมดพากันนิ่งซึงไปท้องฟ้าเบื้องบนยังมีแสงสว่างเหลืออยู่ให้เห็นเวลาก็เหลืออีกชั่วโมงเศษก่อนที่วาการจะสิ้นจุดลงและนั่นคือระยะเวลาที่จะคืบหน้าเร่งรุดต่อไป เชษฐาส่งหลักฐานปลอกกระสุนทั้งสามปลอกไปให้ระพินเก็บไว้ชายันใชเ้เศษฐ่านจากขอนไม้เขียนไว้บนพื้นเรียบใต้เพิงหินบอกวันเดือนปีที่ผ่านมาและลงนามของคณะวายครบหมดทุกคนโดยอักษรยอ่อสักวันหนึ่งอดีตนายทหารปืนใหญ่กล่าวแผ่วเบาเหมือนจะพึมพำกับตนเองขณะที่ถอยออกมายืนดูอักษรเขียนไว้ด้วยสีดำของถ่าน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 อุณหภูมิของอากาศรอบตัวลดลงอย่างหวบหา้าเมื่อกลิ่นไอของราตรีโชยใกล้เข้ามามันเท่ากับเป็นเครื่องหมายเตือนให้ทราบชัดว่าในเวลาสิ้นแสงตะวันจะหนาวเย็นอย่างหน้าสะพึงกลัวที่สุดแบบที่ไม่เคยผ่านพบกันมาก่อนและจะยิ่งร้ายกาทารุนสุดขีดหากไม่สามารถจะสแสวงหาฟืนก่อไฟผิงได้เบื้องหน้าของกระบวนทั้งหมดบุรุษผู้มีร่าง และดวงวิญญาณประหนึ่งจะถูกหล่อล้อมขึ้นด้วยเหล็กเพชรผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ของมัรคุเทสและหลักประกันของชีวิตภายใต้ความรับผิดชอบทั้งหมดต่อไปอย่างซื่อสัตย์เขาเดินเยี่ยงคนที่เกิดมาเพื่อเดินตลอดทั้งชีวิตจากพื้นภูมิลุ่มลุ่มดอน ด, อนดอนินแต่ราบโล่งไปด้วยผิวกรวดทรายนั้นชั่วไม่นานก็ล่วงเข้าสู่ดงไม้ประเภทแคคตัสอีกทุกพันธุ์ที่ขึ้นเรียงรายแน่นขนาด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 ที่สาวรอยมาดูราวกับว่านักเผชิญโชคทั้งสองจะละลายตัวเองเป็นอากาศสธาตไปฉะนั้นออกจากที่พักตรงเพิงหินนั่นแล้วคนทั้งสองบายหน้าไปทางไหนนั่นคือสิ่งที่ทุกคนขบคิดและอาจเป็นปัญหาข้อนั้นก็ได้ที่ฝ่ายนายจ้างหินแพรนใหญ่ลังเลอยู่หลายครั้งในเส้นทางคืบหน้าและทุกครั้งเขาจะเหลือบมองดูหน้าแง่ทรา ย, ายเหมือนจะอ่านอะไรสักอย่าง แต่เจ้าคุณใช้พิเศษของคณะเดินทางมีสีหน้าเฉยสงบไม่ส่ออะไรออกมาทั้งสิ้นมือหนึ่งถือไรเฟิลอีกมือหนึ่งกำมีดเดินป่ายาวสอกเศษที่ดึงออกมาจากการขัดหลังของสือ่อพรานใหญ่เดินคลาหาทางไปอย่างระมัดระวังทิ้งระยะออกไปราว19บก้าบนเส้นทางที่กว้างขนาดเรียงสองนั้นเฉษฐาเดินขนาบเข้ามาชิดเงทราย ผู้เดินเหมือนตุ๊กตากลอยู่ในขณะนี้จ้องหน้าผู้กองกำลังลังเลฉันรู้สึกว่าเขาลาบากใจมากสำหรับเส้นทางระยะนี้ถ้าแกมองเห็นเส้นทางที่ถูกต้องกว่าแกจะหุบปากนิ่งอยู่ยังงั้นเหรอแงใสผมมองไม่เห็นเส้นทางใดจะเหมาะและถูกต้องมากไปกว่าที่ผู้กองนำอยู่ในขณะนี้ครับนายใหญ่คนหน้าตายตอบเสียงลึก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 ในภาวะเช่นนี้ก็เห็นมีแต่แง่ทรายเท่านั้นที่จะเป็นกระจกเงาส่องสะท้อนให้เขาเห็นในลู่ทางด้านความคิดอ่านของจอมพลานสมมุติว่าถ้าแกเป็นเขาแง่ทรายแกจะหาทางไปยังไงก่อนมืดสนิทที่กำลังจะมาถึงนี่จอมพระเนจรนิ่งไปอึดใจหนึ่งผมไม่จะไม่แน่ใจนะครับว่าผมจะอ่านใจผู้กองถูก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 ผมจะพยายามหลีกออกให้พ้นดงไม้หนามพวกนี้ก่อนโดยเลี่ยงออกตาหินทางด้านขวามือตรงที่เห็นอยู่ปากทางก่อนที่เราจะล่วงเข้ามาในเขตนี้ครับทำไมเหะอสิ้นคำถามอย่างประหลาดใจของท่านหัวหน้าคณะแง่สายก็บุยปากไปทางเบื้องหน้าแทนคำตอบทั้งหมดแลเห็นพรานใหญ่หยุดชะงักนิ่งอยู่กับที่อีกครั้งตรงบริเวณลานโล่งขนาดเล็ก ในวงล้อมของปากกระบองเพชรและพวกเถ้าเครือลักษณะประหลาดและยกมือขึ้นโบกเป็นสัญญาณให้ขบวนทั้งหมดหยุดอยู่กับที่นั่นคือคำตอบครับนายใหญ่แงซ า, ายกระสิบคณะนายจ้างทั้งหมดไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นระพินหมุนตัวไปรอบๆแล้วก้าวถอยหลังย้อนออกมาตามทางเดินสีคนของฝ่ายนายจ้างก็ปราดตรงเข้าไปทันทีโดยบอกพวกลูกหาซึ่งตามมาเบื้องหลัง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 ซึ่งทอดยอดเกะกะออกมาล้ำทางรอบด้านไปหมดก้านที่แลมเหมือนงวงของมันสีเขียวสดกลืนกับไม้พันแคคตัสรอบด้านแต่มีขนาดใหญ่เท่าลำแขนและก่อนที่จะมีใครเข้าใจหรือเอ่ยถามเช่นไรต่อไปนั้น <c oughs> เขาก็ค่อยๆยื่นปลายดาบไปแตะกับยอดงวงที่ทอดอ่อนช้อยออกมานอกทางนั้นพริบตาเดียวที่มีอะไรมาแตะสัมผัสหนวดสีเขียวประดับพลาไปด้วยตุ่ม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 มันตวัดฉับมัดขาบริเวณเหนือเข่าของแมนสาวไวอย่างแน่นหนาะแล้วกระชากจนเซจะหลุดเข้าไปในกออันแน่นทึบมาเรียร้องกรี๊ดยังขวัญหนีดีฟอพลังของการฉุดนั้นไม่ผิดอะไรกับวงรัดของงูพร้อมกันอีกหลายงวงใกล้เคียงที่สัมผัสกับสิ่งแปลกปลอมที่ใกล้เข้ามาหรือมิฉะนั้นก็เกิดจากการไหวสะเทือนต่างตวัดรัด ร, รอบขาทั้งสองข้างของมาเรียไว้เป็นพลวัลเชิดขาชายันก็พลันได้สติขึ้นมาในบัตรนั้น ต่างกระชากมีดโบวี้ประจําตัวออกมาจากเอวตรงเข้ากระนําฟันไอ้เถาอุบาทที่รุมมัดมาเรียผู้ทรงสองผู้ส่งเสียงกรีดร้องเต้นร่าอยู่ด้วยความขยักขยงตกใจอยู่ในขณะ น, นี้ขาดกระจุยออกดารินก็คว้าแขนเพื่อนสาวกระชากให้หลุดพ้นออกมาได้ทำกลางความฝันหนีดีฟอพวกลูกหาบต่างทิ้งหาบฉุดฉวยมีดประจําตัวพากันวิ่งพรูเข้ามาแต่แล้วก็ต้องชนะเพราะทานใหญ่ตะโกนห้ามสุดเสียงเรามันอย่าเข้ามา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 ด่าริ้งจับตัวเพื่อนสาวกดให้อยู่กันที่กลางวงล้อมไม่ต้องการให้ลอนเต้นเป็นเจ้าข้าวไปกระทบกับจริงไม้ด้านใดที่แวดล้อมอยู่รอบตัวอีกส่วนช ย, ยันก็ค่อยๆก้มลงเก็บไรเฟิลของหลอนที่ตกอยู่ริมกอไม้ประหลาดขึ้นมาอย่างระมัดระวังเชตาเบิกตาโพลงหันมาจ้องหน้าระพินไอ้พวกนี้กินสัตว์มีชีวิตแน่ๆถ้าหลงก็ไปกระทบมันเข้าลักษณะของมันเหมือนกับต้นไม้กินคนที่เราพบโครงกระดูก ข, ของแจนเคลมเมอร์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 จับแขนมาเรียวไว้แน่นทั้งสองสาวเบียดกันอยู่กลางวงล้อมมองดูกา้านวงรอบตัวเหล่านั้นด้วยความรู้สึกเช่นเดียวกันเลยเห็นฝูงงูอันยุบยับอ้ยราชสกุลสาวครางทำตัวสั่นอย่างขยักขยังไม่เด็กกาแล้วล่ะครับพี่ใหญ่ไอโดงหนวดปลาหมึกนี่มันเป็นสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวมากกว่าจะเป็นต้นไม้ถอยเถอะค่ะน่ากรีดกว่างูซะอีกเหมือนมือผีมาเรียกระซิบเสียงสั่นออกมาเบาที่สุด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 สายตาหวาดระแวงจ้องไปยังดงไม้หนามรอบด้านอย่างไม่ไว้ใจขณะผ่านเข้ามาทั้งหมดแม้จะสังเกตพันไม้เหล่านั้นตลอดเวลาก็ตามแต่ก็ไม่มีใครเฉลียวคิดหรือสงสัยว่ามันจะเป็นมีพิษมีภัยใดๆทั้งสิน้นหากไม่เซทลาเข้าไปกระทบกัะ น, น้ำอันแหลมคมของมันเข้าเองแต่บัดนี้ยามเมื่อได้พบกฤตเดชเจ้าพันหนวดเจ้าพันหนวดปราหมึกให้เห็นเป็นตัวอย่างทำให้รู้สึกในทันทีว่า ทุกกิ่งก้านสาขาของเจ้าพวกตระกูลระบองเพชรเหล่านั้นไม่ว่ามันจะมีรูปลักษณะอย่างใดล้วนน่าจะสันแดงฤทธิ์อัน น, น่าขนลุกขึ้นได้ทั้งสิน้นถ้าหากไปแตะต้องกระทบมันเข้าแม้ขี้เพียงแค่ส ก, กิดเบาๆใครจะรับประ ก, กันได้ว่าดอกไม้ขนาดใหญ่มหึืมาที่สวยงามลานตาแต่เฉพาะกลีบเกสรด้านในแต่มีเปลือกคุ้มนอกอันเต็มไปด้วยหนามราวกับปากอ้าของสัตว์ ร, ร้ายนั้นจะไม่หุบงับเข้ามาหากัน าหากมนุษย์หรือสัตว์ใดหลวมตัวเข้าไปกระทบมันเข้าจะด้วยเผลอตัวหรือด้วยความพิดสมัยหลงไหลต่อกลีบเกสร อ, อันดูนุม่มราวกะกำมหยี่นั้นก็ตายแล้วก็จริงดังว่าชัยันทดลองเอาหินก้อนเคืองเคือ ง, งก้อนหนึ่งทุ่งโครมเข้าไปกลางดอกอันอ้าสยายของมันทันทีที่ก้อนหินทุกเข้าไปกระทบส่วนยังกลีบด้านในเจ้ากลีบใหญ่อันนาแข็งแรงด้านนอกและอุดมไปด้วยน้ําแหลมคมประดุดปากจระเข้ ก็งักตูมก็าหาการเสียงดังสนั่นราวกับบานพับกลนทั้งหมดสะดุ้งสุดตัวร้องกันออกมาแทบไม่เป็นภาษาด้วยความตื่นตระหนกชิปหายชัยยันตาเหลือกระหลงก็ามาในโดสัตว์ประหลาดที่ฝังรากติดโจรดินซะแล้วถ้าเป็นต้นไม้มันก็เป็นต้นไม้มหาวายร้ายทีเดียวพวกลูกหาบทุกคนหน้าซีดเผือนมองหน้ากันเองลอกแหลกนอกจากเงยสายเพียงคนเดียวที่ยืนจ้องดอกไม้มรตยูดอกนั้นด้วยอาการอัน เยือกเย็นสงบริมฝีปากปรากฏรอยยิ้มนิดๆทุกคนระวังตัวอย่างที่สุดต้นไม้ทุกต้นในบริเวณนี้มันเล่นงานราไร้เยทั้ทงนั้นถ้าไปถูกมันเข้าเชดทารองสั่งเร็วปรือดารินนั้นยืนตัวแข็งทื่ออยู่กับที่แทบไม่หายใจส่วนมาเรียมมีอาการเหมือนจะเป็นลม้างปาตื่นตกใจระวาดกลัวขีดสุดเพราะมันคิดว่าถูกผีหลอกขยับจะออกเล่นไปไม่รู้ทิศทางแต่รพินเตะขาลม้ขามขมำหน้าลงซะก่อน เขายื่คอเจ้าตองสูงขึ้นมายึดไว้มันเขย่าตะวาดลั่นปลุกให้รู้สติและบอกให้มันทราบว่าถ้าขืนวิ่งพวดพลาดออกไปมีแต่ทางตายท่าเดียวมันจึงเข้าใจพยักหน้าภายใต้ดวงตาเหลือกโผงประหลับประเหลือแทบไม่เห็นตาดำคนอื่นๆก็ตกอยู่ในภาวะเหมือนถูกผีหลอกกันไปหมดเฉยไว้มันจะทาอะไรเราไม่ได้ถ้าเราไม่กระทบหรือถูกมันเข้าจอมพรานประกาศอึดใจต่อมา ทุกคนก็ควบคุมสติไว้ได้และสำนึกได้แน่ชัดว่าอะไรเป็นอะไรสำหรับสิ่งที่แวดล้อมรอบตัวอยู่ในขณะ น, นี้จอมพรานเงื่อแตกสิกทั้งที่อากาศกำลังเริ่มหนาวเย็นลงทุกขณะเขาหันไปจ้องหน้าเงาทรายด้วยสายตาแข็งกร้าวแล้วพูดลอดไรฟันออกมาทำไมแกไม่ตื่นฉันแม้แต่คำเดียวฮะเงาทรายตอนที่ฉันจะนาทุกคนล่วงเข้ามาในนี้รวมทั้งตกแกด้วยใบหน้านั้นชาเฉยเย็นกระด้าง อย่างปราศจากความรู้สึกแต่ละพินไพรวันแลเห็นรอยยิ้มในแววตาที่ซ่อนเร้นอยู่แสนลึกคำถามเครื่องเครื่อชนิดนั้นทำให้คณะนายจ้างทุกคนหันมาสนใจด้วยทันทีผมจะต้องเตือนผู้กองเรื่องอะไรครับแงาสายย้อนถามมาหน้าเซ่อๆจอมพรานหัวร้อง <c oughs> ในลำคออย่างพยายามข่มอารมณ์ขีดสุดต่อสีหน้าอันวางเซ่อทาเป็นไม่เข้าใจนั้นถ้าฉันถามแกอีกคาเดียว แกก็คงจะบอกกระมังว่าแกไม่รู้ว่าดงไม้กระบองเพชรแถบนี้น่ะเป็นดอไม้กินคนทั้งนั้นถ้าทุกคนในทุกคนได้รับอันตรายในดอไม้นี้ผมจะปลีกตัวให้พ้นอันตรายนั้นได้เมื่อไหร่เพราะก็ได้ตามการนำของผู้กองเข้ามาด้วยและโดยสัตว์จริงผมไม่ทราบถ้าทราบก็คงจะต้องบอกผู้กองล่วงหน้าแล้วละ่ะดารินชุนกึกเมื่อได้ยินการโต้อตอบของบุคคลทั้งสอง ลำดูเหมือนจะลืมเรื่องที่ตกอยู่ในที่แวดล้อมของอันตรายสยองขนไปชั่วขณะขยับปากจะต่อว่าพรานใหญ่ผู้กำลังมีอาการที่หลอนเห็นว่าใช้วาจาคุกคามแง่ทรายเพราะในความรู้สึกของหลอนนั้นมองไม่เห็นเลยจนนิดเดียวว่ามันจะเป็นความผิดหรือข้อบอกพร่องใดๆของแง่ทรายในการที่รับผินนาคณะทุกคนเข้ามาอยู่ท่ามกลางพันไม้มรตยูนีแต่พี่ชายรู้ทันจับแขนน้องสาวไว้บีบโดยแรง เป็นเครื่องหมายให้สงบเฉยระงับปากคำซะกระซิบด้วยอาการเคร่งขืึไวเฉยไวน้อยพี่เองก็รู้อยู่นะว่าเจ้าแง่ทรายมันรู้ล่วงหน้าก่อนรบพินซะด้วยซ้าไม่มีอาการเกรี้ยวกราดใดๆจากรบพินไฟรวันที่ทุกคนเห็นในภาวะที่เขาเดือดแคนหัวเสียที่สุดสําหรับกรณีแห่งความเงียบเฉยอมพันนของแง่ทรายอย่างที่ทุกคนเคยเห็นมาแล้ว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 ผมรู้ครับว่าผู้กองได้เข้าเงื่อนร่องรอยของนายชดกะนันอินในดงไม้แถบนี้จึงพยายามติดตามเข้ามาค้นหาให้แน่ชัดผู้กองมีวัตถุประสงค์อยู่แล้วผมมีฐานะเป็นลูกหาดผู้จะปฏิบัติตามคำสั่งเท่านั้นและผมเองก็ไม่ทราบว่าดงไม้รอบตัวเรานี่มันจะมีอันตรายเอหมายความว่ายังไงระพินชายันกระเชิดาร้องถามมาอย่างสงสัยเป็นเสียงเดียวกัน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 ก้มศีรษะนิดนึงและชี้มือไปยังแนวทางเดินผ่านกันมาแล้วได้ครับกู้กองแต่บางทีพวกเราอาจจะสายไปสันหน่อยแล้วดูแน่นสิครับระพินหันขวับไปจ้องทางด้านนั้นแล้วก็ตงตกตะลึงพึงเพริดไปชั่วขณะคนอื่นๆก็แลไปเห็นและเข้าใจได้พร้อมกันหมดอย่างหัวใจแทบจะหยุดเต้นเราหลุมตัวเข้ามาติดกับดักซะแล้วชยันอุทานลั่นออกมา ทางด่านแคบแคบขนาดเดินได้เรียงสองเลี้ยวลัดมาตามสองฝั่งไม้พันแคคตัสอันหนาทึบซึ่งเมื่อขาเข้ามานั้นเป็นทางโลง่งเดินได้โดยสะดุกแต่บัดนี้ปรากฏว่ามีงวงของเจ้าต้นมริตยูยื่นสลอนออกมาขวางทางทั้งสองด้านระเกะระกะไปมืดไปหมดแต่ละงวงมีขนาดอวบใหญ่ตั้งแต่ข้อมือขึ้นไปจนกระทั่งเกือบเท่าลำขา ระยะที่โผล่พ้นริมทางออกมานั้นมีตั้งแต่เรี่ยเรชิดพื้นขึ้นไปจนกระทั่งสูงระดับเกินศีสังปริมาณของมันเหลือที่จะขนานับเสียงพวกพรานพื้นเมืองครางแทดอยู่ในลำคอฟังไม่ได้สับเชิากระจนพูดเดียวแหวกคนอื่นๆขึ้นมายืนเคียงกับรพินซึ่งจ้องตาค้างอยู่ในขณะนี้อะไรกันนี่รพินไอ้วงอปลาพวกนั้นมันโผล่มาได้ยังไง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 จอมพรานรีตายิบหยีลงป้ายแขนเช็ดเหงื่อที่จมูกอีกครั้งหันไปมองหน้าแงซายซึ่งแลมาที่เขาเงียบเงียบอยู่แล้วชั่วขณะหนึ่งที่ทุกคนนิ่งกันไปเหมือนถูกสะกดจะเอาอยัางไงผู้กองนี่เราเข้าที่ขับขันเลยนะในที่สุดเชิดาถามขึ้นแผวเบาเระยทางเดินมันก็แค่จํากัดอยู่แค่นั้นนะถ้าเราเดินฝ่าไปก็ปะทะกั ง, งงที่มันชูดักเต็มพืชอยู่นั่นแน่นอน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 เชษถาพูดอย่างงุนงงอัดสะจใจไปหมดผมก็เดาไม่ถูกจริงๆนะครับว่าทำไมมันเกิดได้แบบนี้พรานใหญ่เอ่ยเสียงแหกข้าวหน้าของเขาขณะนี้ไม่มีจิตรกรคนใดวาดได้เหมือนอาจจะเป็นเพราะกลิ่นไอของพวกเราที่แปลกปลอมเข้ามาก็ได้ที่ทำให้ทุกงวงของมันในละแวกนี้ชูดักออกมาหมดทั้งๆ ท, ที่แต่แรกมันอาบม้วนสงบซ่อนอยู่ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็แปลว่ามันกินสั์มีชีวิตเป็นอาหารแน่ไม่งั้นคงไม่ปรากฏการแบบนี้เราหนวมตัวใช่แล้วล่ะครับหลงเข้ามาติดล้อมอยู่ในดงอันหิวกระหายของมันมันดักคอยเล่นงานเราหมดทุกด้านแบบเนี้ย น, นี่จะทำยังไงไม่ติดจนมุมหาทางออกไม่ได้อยู่ที่นี่เหรอดารินเริ่มขวัญเสียอะไรก็ไม่สาคัญเท่ากับความขยักขยงทั้งกลีตทั้งกลัวต่อสภาพอันมีลักษณะเหมือนงู ของงวงพืชประหลัดนั้นหล่อนมองแล้วขนลุกขนชันสยดสยอยอยู่ตลอดเวลามาเรียก็เช่นกันตามปกติแล้วนักผจญภัยสาวต่างผิวทั้งสองไม่เคยหวาดหวัน่นพรั่นพึงต่ออันตรายหรือสัตว์ผัสสัต ร, ร้ายทุกชนิดแต่ลักษณะอันน่าขนพองของเจ้างวงอุบาทซึ่งมีลักษณะการประดุดสิงวดวิ ญ, ญญาณของผู้ผีร้ายทําให้ทั้งคู่บังเกิดอาการสยองกล้าวในด้านสอิทสยเอียนมากกว่าความรู้สึกอย่างอื่น ให้ตกอยู่ในกลางโดงเสือช้างหรือสัตว์ร้ายอะไรซะยังจะดีกว่าทำใจดีๆไว้น้อยผมไม่เหลือบากกว่าแรงอะไรนักหรอกเราเคยผ่านสถานการณ์ร้ายยิ่งกว่านี้มามากนะักยังแก้ไขได้มาค่อยๆช่วยกันคิดดีกว่าชั ย, ยันปลอบใจถึงยังไงขวัญและกำลังใจของเขาก็เหนือกว่าสองสาวมากนะักเพียงแต่ประหลาดใจงง ง, งันต่อสภาพแวดล้อมที่เผชิญอยู่เท่านั้น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 กลับอาจถล่มลึกจนกลับตัวไม่ทันก็ได้ผมก็คิดไว้เช่นนั้นครับรพินว่าขยับตัวจะหันหลังกลับมายังทิศทางเดิมเพื่อตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ท่านหัวหน้าคณะจับแขนไว้นี่รพินคุณรู้ไหมผมน่ะสังหรณ์ใจก่อนหน้าแล้วนะระหว่างที่คุณเดินนําไปข้างหน้าผมลองหยั่งเสียงเจ้าแงซายดูมันเปรยให้ผมฟังเป็นเชิงว่าถ้ามันเป็นคุณมันจะเลี่ยงออกจากโดงนี่ซะ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 บุคคลทั้งสองเป็นบุคคลชั้นปรีชาชาญสามารถเยี่ยมของคณะถ้าปราศจากความสามาัคถคีกินแหนงแข่งใจคอยจ้องจะจับผิดกันอยู่เช่นนี้คณะเดินทางก็มีแต่ความหายนะวิบัตเท่านั้นคุณพิณนักมนุษยวิทยาเลือดราชสกุลเ อ, อ่ยเรียกนามเดิมทางกันแผ่วเบาชัดเจนพร้อมกับยิ้มให้นี่ตั้นไหนแต่ไรมา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 ไว้จับพริบแงายมาทุกระยะโดยตั้งเป็นข้อสังเกตว่าเขาอมความลับและไม่ค่อยใจซื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านส่วนตัวระหว่างคุณกับเขาบางทีฉันอาจงโง่เกินไปหน่อยก็ได้ที่มองไม่เห็นถึงสาเหตุในการพิจารณาเช่นนี้ของคุณเพราะฉะนั้นคุณพิสูจน์ให้ฉันเห็นได้ไหมว่าที่คุณกล่าวหาเขาเช่นนั้นมันมีเหตุผลที่ควรจะเชื่อได้ยังไงจอมพรานมองดูหลอนด้วยสายตาตรงเช่นกัน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 และคอยฟังอย่างเดียวเท่านั้นอย่าคัดค้านสอดแทรกหรือขัดจังหวะใดๆทั้งสิ้นในระหว่างที่ผมดำเนินการกับแง่ายและโปรดพิจารณาเอาเองผมจะพิสูจน์ให้เห็นว่าถ้าจำเป็นจริงๆแง่ทายเขาสามารถนำพวกเราทั้งหมดผ่านไอ้ดงไม้ผีนี่ออกไปสู่เบื้องนอกได้โดยปลอดภัยที่สุดเพียงแต่อ้มเฉยนิ่งไว้ดวยผมหาทางแก้ไขเอาเองโดยแอบยิ้มเยาะอยู่ภายในเงียบๆ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 แกได้ยินคําสั่งของฉันเมื่อตะกี้นี้แล้วใช่ไหมฉันสั่งให้แกเดินนําหน้าออกเพื่อหาทางออกไปเอาละ่ะเคลื่อนที่ได้ฉันจะเดินตามหลังแกเมื่อขาเข้ามาผู้กองเป็นผู้นํานะครับคณะนายจ้างทั้งหมดที่เฝ้าจับมองการเจราจาระหว่างคนทั้งสองเห็นแงยสายเ อ, อ่ยขึ้นด้วยเสียงเรียบรับพินแยกเขี้ยวพยักหน้ารับเออใช่ ตอนขาเข้ามาเนะี่ยฉันเป็นคนนํานะนี่ขาออกแกก็ควรจะนําบ้างสิสมมุติเอาว่ารพินไัยวันอนะบังเอิญตายไปซะก่อนแล้วใายหลังจากนําทุกคนเข้ามาอับจนอยู่ในนี่ไงพวกกองไม่เห็นนั่นหรอกเลยจอมพเนจรชี้มือไปเบื้องหนะ้าทำไมจะไม่เห็นงวงอันเหลือคนานับของเถาไม้กินคนอนะมันยื่นดักขวางทางเราไว้หมดแล้วอะจะหันไปทางไหนก็เห็นมันเต็มไปหมดออกทางด้านนี้หรือด้านไหนมันก็มีผลเท่ากัน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 แล้วต่อต่อไปนับไม่ท้วนก็รุมเล่นงานจนเราตัดฟันไม่ทันอธิบายได้แจ่มแจ้งดีมากนี่ฉันก็มองเห็นอยู่เช่นนั้นแหละแล้วคนแรกที่ล่วงหน้ า, าไปก่อนก็จะตายนะครับให้ตายหาระฉันไม่เสียดายสักนิดเดียวนะถ้าหากว่าแกจะถูกไอ้งวัวมาหาการเหล่านั้นมันฉุดกระชากก็ไปกลางดงของมันแล้วดูดเลือดออกจนหมดรับรองสิว่าจะไม่ช่วยด้วยทุกคนเงียบกริบ จ้องเป็นตาเดียวมายังคนทั้งสองระหว่างการโต้อตอบถ้อยคำกันอย่างดุเด็ดเผ็ดร้อนดารินเกือบจะอ้าปากหลายครั้งแต่มาเรียจับข้อมือบีบเตือนไว้ให้ระลึกถึงสัญญาหล่อนจึงสู้สงบปากคำซะส่วนใจนะเต้นระทึกสัน่นบอกกับตัวเองอยู่ในใจว่าคนใจร้ายส่วนเชษฐาและชัยยันดูอยู่เงียบเฉยรอปฏิกิริยาที่จะเห็นคืบหน้ารู้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 ครับเป็นการยุติธรรมดีแล้วหรือครับที่เมื่อตอนขาเข้ามานะ่ะผู้กองเป็นคนนําแต่ตอนขาออกไม่เห็นอันตรายชัดอยู่ขนาดนี้จะบังคับให้ผมเสี่ยงนําออกไปฉันเป็นคนขี้ขาดไงซรายแล้วก็เป็นคนชอบรับแต่ความชอบด้วยไม่ต้องการรับผิดแล้วเมื่ออันตรายมาถึงตัวฉันคิดว่าระหว่างฉันกับแกแกควรจะตายก่อนฉันเดินนําออกไปเร็วเกินมืดเต็มทีแล้วยิ่งเช้าไปเท่าไหร่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 จะต้องมาพลอยรับเคราะ์พร้อมกับผมด้วยเอาเนว่าทาแม่ผมตายขยินควรอยู่เพื่อมีโอกาสหาทางรอดพร้อมคนอื่นๆต่อไปผู้กองคิดอย่างนั้นไหมจอมพรานยิ้มสย้อย่างเท่าทันเล่อันลึกล้ำทุกขบวนดีมากที่แกคิดได้เช่นนั้นเฮ้ย <Hey, S 1> สางปาเขาหันไปตะโกนเรียกข้าท่าตองสู่ของมาเรียสางปาพรวดเข้ามาทันที พางใหญ่ชี้ไปที่คานหามของแง่ทรายกับขยินนี่เจ้าจงหาบของนี่คู่กับขยินแทนให้กัแง่ทรายไปพลางก่อนแล้วกันสางปลาปราบเข้ามารับคานหามแทนให้แก่แง่ทรา ย, ายตามคําสั่งนั้นทันทีอย่างเต็มใจปล่อยเจ้ากระเรียงโฉงงามผู้ลึกลับเป็นอิสระจากภาระแบกหามทั้งมวลลงทันทีแง่ทรายมองสุดตาเขาอีกแวบหนึ่งแล้วก้าวจากที่เดิมออกไปอีกหนึ่งก้าวหันหน้าไปยังหนทางออก ซึ่งงวงมฤตยูงวงแรกยื่นดักล้าออกมานอกทางห่างออกไปเพียงวาเดียวแล้วสูดลมหายใจลึกถุกสายตาจ้องขเขมงจับอยู่ที่แผ่นหลังของร่างอันยืนยืดรางัา น, นั้นเป็นตาเดียวไม่กระพริบด้วยใจอันเต้นระทึกไม่เป็นสัมไม่สามารถจะเดาเหตุการณ์ใดๆ ไ, ได้ทั้งสิน้นยกเว้นระพินไพรวันผู้เงียบเฉยและเย็นกระดา้าง